สัมผัสสยองสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองวันนี้แอดมินมีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านมาถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันซึ่งคุณอิไสายรั่วได้เล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนลุงของผมได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้น มีคนในครอบครัวของปู่โดนมนต์ดาเล่นงานซึ่งครอบครัวของปู่นี้จะมีลูกชายอยู่สี่คนลูกสาวอีกสามคนพี่ชายคนโตชื่อเอกพี่ชายคนที่สองชื่อโอนคนที่สามคือพ่อของผมชื่อว่าอุยน้องชายคนที่สี่ชื่ออาจน้องคนที่ห้าเป็นผู้หญิงชื่อน้ำน้องสาวคนที่หกชื่อนุนและน้องคนสุดท้องชื่อ น, นัน ทุกคนสนิทกันและรักกันมากการใช้ชีวิตก็เหมือนครอบครัวคนอีสานทั่วไปเลี้ยงบัวเลี้ยงควายทำไร่ทำนาทำสวนลูกชายของคนในบ้านเมื่อเรียนจบก็ต่างพากันไปทำงานลุงงนมีความสนใจในเวทมนต์คาถาจึงไปบวชเรียนอยู่กับหลวงปู่ที่เป็นน้องชายของปู่ พ่อของผมก็ไปทำงานที่กรุงเทพออาจไปมีภรรยาที่ต่างจังหวัดส่วนน้องสาวก็พากันเรียนต่อเวลาผ่านไปประมาณสามปีทุกคนก็ได้ข่าวว่าปู่เสียชีวิตแล้วในวันแรกของงานศพมีลุงเอกและน้องผู้หญิงที่มางานขาดเพียงแต่อาอาจกับพ่อของผมพอวันที่สองออาจก็มาถึง เหลือเพียงแต่พ่อของผมที่ยังไม่ได้มาจนผ่านไปถึงวันเผาศพปู่พ่อผมก็มาถึงและบอกว่ารถเสียตอนเดินทางก็เลยทำให้มาช้าไปหลายวันเพราะสมัยนั้นถนนหนทางไม่ดีเหมือนสมัยนี้เวลาบ่ายสองโมงหลังจากเผาศพปู่เสร็จลุงง่นก็ลาสิกขาเมื่อพี่น้องมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ลุงเอกก็วางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นาด้วยกันไปหาของมาทำกับแกล้มกินจากนั้นทุกคนก็พาแยกย้ายกันไปนอนชาวมืดพวกผู้ชายก็เอาอุปกรณ์การล่าพากันออกไปหาอาหารและบอกให้น้องผู้หญิงซื้อเหลาเตรียมของเอาไว้สำหรับการทำอาหารพวกลุงก็หาไปเรื่อยๆได้หนูได้นกกันมาหลายตัว อาจไปขุดหาปู่ขุดไปขุดมาก็เจอกับกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆประมาณเท่ากล่องช็อกอาจไม่ได้คิดอะไรก็เลยเก็บใส่กระเป๋าและพากันกลับบ้านตอนนั้นยังไม่มีใครรู้แต่ขากลับลุงโงนเล่าให้ฟังว่ามีความรู้สึกแปลกๆตลอดทางพอกลับมาถึงก็ทำอาหารและดื่มกินเมากันทั้งวัน จนพ่อผมลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วบังเอิญเดินเซไปเหยียบกระเป๋าอาดเข้าตอนนั้นที่พ่อผมไปเข้าห้องน้าก็ได้กลิ่นอะไรแปลกมันเป็นกลิ่นที่เหม็นมากสักผักกลิ่นนั้นก็หายไปพ่อไม่ได้คิดอะไรก็กลับมานั่งกินกันต่อพอเริ่มคำ่ำหลังจากดื่มกินกันเสร็จอาบน้าแล้วเาหาให้วัวควายกินแล้ว ก็พากันเข้านอนเช้าวันต่อมาหลังจากที่พ่อตื่นแล้วน้องๆก็กำลังทำอาหารอยู่ลุงง้นก็เห็นหน้าของพ่อผมซีดมาจึงถามไปว่าไปทำอะไรมาพ่อบอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ขอกินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนในขณะที่พ่อของผมกำลังกินข้าวอยู่นั้นจู่ๆก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปอ้วก ทุกคนต่างตกใจลุงอ้นรีบตามไปดูก็ <S <S เห็นว่าวกนั้นมีเลือดกับเศษอะไรบางอย่างติดออกมาด้วยมันเป็นสีดำและเทาปนอยู่กับเลือดสีแดงเมื่อลุงอ้นเห็นก็ตกใจมากขึ้นไปอีกแล้วบอกพ่อว่ามึงโดนของแล้วละ่ะจากนั้นลุงอ้นก็พาพ่อไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงปู่ให้ช่วยเอาของออกให้ แล้วหลวงปู่ก็เริ่มทำพิธีผ่านไปสักพักก็เสร็จพิธีพออาการพ่อเริ่มดีขึ้นพอจึงเล่าทุกอย่างให้ลุงฟังว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพ่อบอกว่าขณะที่กำลังนอนเคลิม้มเคลิมจะหลับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมากรีดที่ข้างฝาบ้านเมื่อพ่อหันไปมองดูก็เห็นเงาดำๆ มีลักษณะเหมือนกับว่ายืนหันหลังอยู่แล้วเงาหนนก็ค่อยๆหันหน้ามาหาพ่อเงานั้นเดินเข้ามาเมื่อพ่อเห็นก็ตกใจมากเงาห น, นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆพ่อได้แต่นอนดูตาค้างทำอะไรไม่ถูกแล้วเงาดานั้นก็ขึ้นมาเหยียบตรงหน้า อ, อกพ่ออึดอัดมากหายใจไม่ออกจนหมดสติไป พอเช้ามาหลังจากที่พ่อตื่นขึ้นลุงอ้นก็มาหักแล้วพ่อก็กินข้าวและอ้วกเย่างที่เห็นนั่นแหละเมื่อหลวงปู่ได้ฟังก็ใส่หน้าจากนั้นก็เอาไข่ไก่ที่ทำพิธีมาตอกลงบนพื้นให้ดูเพราะไข่ไก่แตกออกก็ส่งกลิ่นเหม็นสาบอย่างแรงกลิ่นเหม็นครักคลุ้งไปทั่วศาลาของวัดหลวงปู่จึงบอกว่าให้รีบกลับบ้านไป แล้วปิดบ้านให้ดีทุกช่องทางพวกนี้ให้กลับมาหากูใหม่ตอนนั้นก็ใกล้จะข้ามแล้วท้องฟ้าเริ่มมืดพ่อกับลุงอกนก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอย่างเร่งรีบระหว่างทางกลับบ้านจะเป็นทางลูกรังขนาดเล็กที่รถกระบะสามารถวิ่งผ่านได้แค่คันเดียวสองข้างทางของถนนเส้นนี้เป็นปาา่าหญ้า และเส้นทางนั้นก็ไม่มีไฟเพราะตกกลางคืนจะมืดมากพอ่อขี่มาได้สักระยะหนึ่งก็เห็นบางสิ่งในความมืดหุ่งตรงมาด้วยความเร็วพ่อตกใจมากเอ่ยปากร้องออกมาว่าอะไรนะ่ะแล้วก็หักรถลงไปข้างทางเสียววินาทีนั้นเองก็มีรถกระบะวิ่งสวนไปอย่างรวดเร็วลมจากแรงรถกระบะ ประท่าเขาเต็มใบหน้าของพ่อกับอาอน้นสักพักก็เห็นเงาดำคล้ายผู้หญิงเดินผ่านข้ามฟากถนนแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อลุงอ้นเห็นจึงพูดว่าอีนี่จะอะไรกับกูวะพ่อเงียบไม่พูดอะไรจากนั้นก็พากันกลับบ้านด้วยความระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมพอพ่อและลุงอ้นกลับมาถึงบ้าน ก็รีบบอกให้พี่น้องทุกคนเข้าบ้านและปิดประตูลุงงอนสวดคาถากันภา ย, ภายในบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆกับคนในครอบครัวทุกคนในบ้านตั้งสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นลุงเอกจึงถามพ่อว่ามีอะไรแต่พ่อกลับบอกว่าไว้ค่อยคุยกันตอนนี้พาน้องๆไปอยู่ในห้องพระก่อนแล้วก็ห้ามบอกไปไหน จนเวลาผ่านไปประมาณสี่ทุ่มกว่าๆทุกคนในบ้านก็ผวาเพราะได้ยินเสียงวัวเสียงควายร้องยังห่วยหวนดังลันบ้านพ่อผมจึงวิ่งไปหยิบเป้มา แล้วคว้าปืนออกมาสองกระบอกบอกกับลุงว่าพี่อน้นปลุกเสกปืนให้หน่อยทุกคนตกใจผวากับปืนของพ่อเกรงว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นหลังจากที่ลุงอ้นปลุกเสกปืนให้ก็ถามพ่อว่าจะทำอะไรพ่อยืนปืนให้ลุงอ้นหนึ่งกระบอกแต่ไม่พูดอะไรจากนั้นพ่อก็วิ่งไปที่คอกวัวควาย เมื่อลุงอ้นเห็นดังนั้นก็วิ่งตามไปติดติดอยู่ๆพ่อก็หยุดแล้วยืนนิ่งทำให้ลุงอ้นที่วิ่งตามมาวิ่งชนพ่อเข้าเต็มเต็มเนื่องจากพ่อเป็นคนแข็งแรงร่างกายกำยำลุงอ้นจึงล้มหงายหลังไปเมื่อตั้งหลักลุกขึ้นนั่งได้ลุงอ้นจึงถามพ่อผมว่าไอ้อุย้ยมึงหยุดทำไมวะพ่อผมบอกว่าพี่ ดูนี่สิวัวควายตายไปห้าตัวแล้วแล้วก็เหมือนกับว่ามีเงาดำของอะไรสักอย่างกำลังกินเนื้อมันอยู่พอพูดจบพ่อก็ส่องไฟไปยังจุดนั้นแล้วก็แทบช็อกไม่เห็นร่างที่อยู่ตรงหน้าหันมาในตาแดงำํำเล็บยาวประมาณหนึ่งคืบตัวดำสนิทในปากมีเขี้ยวสีเหลืองที่กำลังคาบไส้อยู่ มันจ้องมองพ่อกับลุงอ้นตาเขมงลุงอ้นไม่กลัวบอกว่ามันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกพ่อถึงแม่ร่างกายจะแข็งแรงกำยากว่าลุงอน้นแต่ก็ไม่มีวิชาอาคมใดๆลุงอ้นจึงเป็นห่วงพ่อกลัวพ่อจะจิตตกแล้วของมันจะเข้าตัวเมื่อลุงอน้นสังเกตแววตาและลักษณะท่าทางของพ่อ ก็เห็นว่าพ่อของผมไม่ได้มีความกลัวเลยสักนิดฮอยกปืนขึ้นยิงไปที่ร่างนั้นแล้วร่างนั้นก็หนีไปพ่อบอกให้ลุงอ้นกลับไปคอยดูแลคนในบ้านจากนั้นฮอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามร่างนั้นไปลุงอ้นกลับมาบอกให้ทุกคนรีบเข้าบ้านโดยด่วน ลุงเอกสงสัยจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีเสียงปืนแต่ลุงงนก็ไม่ตอบบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างสงบดีแล้วจะเล่าให้ฟังพอใกล้เชา้าพระอาทิตย์ยังไม่พ้นขอบฟ้าแต่พอมีแสงสว่างอยู่บ้างแล้วทุกคนเตรียมตัวไปวาดกันแต่ก็ยังกังวลใจกันอยู่เพราะว่าพ่อของผมยังไม่กลับมาเลยตั้งแต่เมื่อคืน ไม่นานนากักพ่อกระจุงรถกลับมาพร้อมกับกระเป๋าของลุงอัดลามมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่บอ่อนั่งหลุดออกจากตัวรถเนื้อตัวของพ่อมอมแแมมไปหมดมีอาวุธประจำกายเน็บอยู่ที่เอวด้านหลังเมื่อทุกคนเห็นพ่อกลับมาต่างก็ดีใจที่พ่อปลอดภัยหลังจากเตรียมตัวกันสักพักก็พากันไปวัดเพื่อห า, หาหลวงปู่พอไปถึงหลวงปู่ก็พูดว่า มึงโดนหนักเลยนะไออุย้ยโชคดีที่ไอคานมาช่วยมึงไว้ซึ่งคนชื่อคานนี้ก็คือปู่ของผอง่อเมงลาวหลวงปู่ก็ให้ไปเอาลงศพมาห้าลงบอกให้ทุกคนลงไปนอนยกเว้นพ่อกับลุงอนระหว่างที่หลวงปู่กำลังทาพิธีลุงอ้นก็ถามพ่อว่าเมื่อคืนมึงไปไหนมาพ่อตอบก็ไล่มันวนไปอยู่แถวแถ ว, แถวบ้านนี่แหละ แล้วก็เจอกระเป๋าของไอ้อัดอยู่ที่กิดเล่าด้วยกันเมื่อวันก่อนในนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้เม่นมากเพราะหลวงปู่เห็นก็เดินมาแล้วบอกว่าเอามาให้กูจากนั้นหลวงปู่ก็กลับไปทําพิธีต่อบอกให้พ่อกับลุงอ้นก่อไฟพอเสร็จพิธีหลวงปู่ก็เอากระเป๋าใบนั้นมาโยนลงในกองไฟแล้วบอกว่ามันเป็นเสนีย์ ที่พวกอวิชาทำคุณใส่ใส่กันพ่อยังสงสัยว่าลุงอ้นถามทำไมว่าเมื่อคืนพ่อไปไหนทั้งทั้งที่พ่ออยู่แถวนั้นทั้งคืนจึงเอ่ยปากว่าพี่อน้นเมื่อคืนไม่ได้ยินเหรอผมยิงปืนลั่นบ้านตั้งหลายนัดหลวงปู่จึงพูดแทกขึ้นมาว่าคูก็บอกแล้วไงว่ามึงนะ่ะเกือบไม่รอดดีที่ไอ้ขานมาช่วยมึงไว มันช่วยบังตาจากปีศาจตนนั้นให้มึงแล้วหลวงปู่ก็บอกอีกว่าปีศาจตนนี้มันบังตาคนในบ้านให้มืดบอด ก, ก็เลยไม่เห็นมึงไงล่ะเช้าวันต่อมาหลวงปู่ก็บอกให้หลุงงอนสวดคาถาอันเชิญเท้าจตุโล ก, กบาลให้มาพาปีศาจตนนี้ลงไปสู่ขุมอเวจีที่หลวงปู่ไม่สวดเองเพราะแก่แล้ววิชานี้ ต้องใช้ร่างกายแบกรัศมีภาพของเท้าจตุโล ก, กบาลมากร่างกายของหลวงปู่รับไม่ไหวพอลุงอนสวดเสร็จก็เอ่ยปากถามพี่เอกที่พึ่งลุกออกมาจากโลงว่าเป็นยังไงบ้างพี่เอกบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงหัวเราะแบบแห้งๆแล้วก็มีเสียงสวดภาษาอะไรสักอย่างซึ่งฟังไม่รู้เรื่องพอเสียงนั้นเงียบไป ก็ได้ยินเสียงเล็บขูดข้างๆลงที่นอนอยู่น้องทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกับลุงเอจากนั้นอาอัดก็บอกว่าเข็ดแล้วตั้งแต่นี้ไปจะไม่เอาอะไรแปลกๆกลับมาอีกเลยหลังจากวันนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตกันตามปกติ สมภัสิอง